รู้สึกว่าเป็นที่น่าพอใจในการปฏิบัติพวกเราก็ทำกันไปเรื่อยๆธรรมาก็ขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเท่าที่ทำมาเท่าที่ผ่านมาก็ดดีมาตลอดไม่มีอุปสรรคก็ราบรื่นังนั้นการปฏิบัติธรรมที่พวกเราได้ กาทำกันมาก็คือการสร้างความรู้สึกตัวพูดอย่างเลางพ่อเสียนว่าทำความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องโดยการกำหนดจังหวะยกมือความมือหงายมือยกเข้ายกออกยกขึ้นยกลงก็กำหนดรู้ที่มันเคลื่อนมันไหวจากนั้นมาก็ เล็กเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งก็กระพริบตาและหายใจกรืนน้ำลายเพื่อนไหวเล็กๆ น, น้อยก็เป็นเอริยาบทย่อยเราวก็กาหนดได้แต่ถ้ามันเหนื่อยปวดแข้งปวดขาเราก็เปลี่ยนอิริยาบทจากนั่งพับเพียบนั่งทับส้นจากนั่งทับส้นก็นั่งคุกเข่าก็ได้จากนั่นก็ นั่งพับเพียบลงอีกคู่เข่าลงไปหลายท่าหลายจังหวะให้มันเป็นการเปลี่ยนอยู่เรื่อยอย่าให้มันเบื่อมันเซ็งถ้ามันเบื่อมันเซ็งมันความทุกข์ครอบงำมันก็เวทนามากขึ้นมันก็อ่หมุนงิษฐุ้งซ่านไม่อยากจะกระทํามันเบื่อหรือมันทุก เมื่อทุกข้องงำทุกคนก็อยากจะออกหรืออยากจะเลิกหรือไม่ก็ด่าเลยโอ้ยพาทำธรรมะอย่างเนี้ยยกไปยกมาเนี่ยไม่ยกก็ได้ทำไปทำไมเ ก, กกะเก่ง ก, ก้างเาลคิดเอาเองเหรอกเวลามันทุกเข้ามามันจะคิดไปวัวละคิดไปเรื่อยโอ้ ย, อยนี่ไปนอนดีกว่ามาั้งนั่งคุยกันสนุกดีนะแต่ยกอย่างนี้มันเหนื่อยอะ่ะมันติดมันถูกไม่อยากจะทาเลยบางทีศรัทธามันหล่นไปเลย มาแล้ววัดพุทธยาเนี่ยทำอะไรก็ไม่รู้บางคนหรอกแ้่พวกเรามันสู้อยู่แล้วผู้ผู้ผู้อื่นบางคนเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ทำแหละเนาะแต่พวกเราอยู่ที่นี่ก็ต้องทำจำเป็นจำใจต้องทำไปเรื่อยๆนะทิงจะรักไม่รักก็ต้องทำพระสงฆ์เราก็เหมือนกันนะท่านมาหาท่านเดโชกก็ดีรักไม่รักก็ต้องทำพอใจก็ทำไม่พอใจก็ทำ พระพุทธเจ้าว่าจงยินดีในการกระทายินดีพอใจในการกระทาในพรมจรรย์เมื่อลักเมื่อความยินดีพอใจเกิดขึ้นมักก็ดีผลก็ดีนิพพานก็ดีไม่อยู่ไกลไม่อยู่ไกลไม่สุดวิสัยถ้าไม่ลักแล้วก็หมดแล้วมดเี้ไม่ลักไม่พอใจไม่ชอบอกชอบใจในการบวชไม่ชอบอกชอบใจในพมจรรย์ ไม่ชอบอกชอบใจในการปฏิบัติถึงเป็นฆราวาสญาติโยมก็อันเดียวกันเหมือนกันเลยถ้ารักที่จะทำอย่างเดียวก็น่าจะเป็นไปได้ถ้ารักไม่ทํามันก็เอาไม่ได้สู้ไม่ไหวทนไม่อยู่มันจะหนีไปถ้าเป็นบวชอยู่นานๆก็สึกไปเลยหรือไม่ก็หนีเอาตัวรอดไปแล้วอ่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะมันทนไม่ได้มันเอาไม่ได้ไม่รัก ความรักไม่พอมันอ่อนดังนั้นพวกเราอยู่ที่นี่ก็เพิ่มความรักให้มากก็ดีนะความรักความพอใจความชอบอกชอบใจถึงอยู่สูดฝ้ากฟ้าเขาเขียวถ้าเรารักเราวพเราก็ไปถึงไปหามาได้ความรักมันเกิดขึ้นอย่างที่วัดพุทธยาเราเนี่ยอยู่ไกลจากเมืองไทย นั่งเครื่องบินมาทั้งหลายชั่วโมงเรา ค, คิดว่ามันไม่ไกลพรารักที่จะมาความรักเมื่อรักกันอยู่สุดขอบฟ้าเขาเขียวเหมือนอยู่ห้องเหมือนอยู่หอห้องแห่งเดียวกันเใช่ไหมเมื่อรักกันนะอยู่ไกลสุดฟากฟ้าเขาเขียวอเมริกาและเมืองไทยแต่รักกันจริงก็มาหากันได้เห็นไหมแต่ทําไม่รักกันละชังกันนะ่ะ แม้จะอยู่คนละห้องเหมือนกำแพงติดกัน้นมันก็อยู่คนละโลกเห <c oughs> มือนกับมีป่ามีดงมากัน้นกลางไว้มาหากันไม่ได้ไปหากันไม่ได้มองเห็นกันไม่ได้มันไกล <c oughs> พระพุทธเจ้าบอกว่ า, วาผู้ใดประพฤติตามธรรมวินัยของเราสถาคตอยู่ไม่ประมาท <c oughs> มีความเพียรมุ่งมั่นผู้นั้นอยู่ใกล้เราสถาค เหมือ น, นกับนั่งเฝ้าเรล่าสถาคตอยู่อย่างนั้นอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามีความรักความพอใจมีการประพฤติดีปฏิบัติชอบรู้ธรรมเข้าจะทําไม่ประมาทตั้งมั่นในธรรมมีสติเข้าดูตัวเองอยู่เรื่อยเหมือนกับอยู่เฝ้าพระพุทธเจ้าตลอดไม่ห่างที่ว่าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าตรงกันข้ามแม้ร่างกายจะอยู่ใกล้พระองค์เดินตามก้นอยู่นั่งฟังเทศฟังธรรมอยู่ เดินบิณธบาตตามก้นพระพุทธเจ้าอยู่ตามหลังพระพุทธเจ้าอยู่แต่ว่าประมาทไม่ยินดีพอใจไม่ได้พึปฏิบัติทำเลยไม่รู้ทำเห็นธทำอะไรเลยพระพุทธเจ้าว่าบุคคล น, นั้นแหละอยู่ไกลเราสถาคตร้อยยอดพันโยชอดหมื่นโยอดแสนโยอดนะผู้อยู่ไกลพระพุทธเจ้า <c oughs> ดังนั้นพวกเราอยู่ที่นี่อ <c oughs> ก็ห่างจากอินเดียมากเหมือนกันนะอยู่ห่างไกลสมัยพุทธกาลเยอะ เป็นพันๆปีแต่ถ้าเรามีคุณงามความดีมีการรู้ทำเข้าใจทมเห็นธรมเลื่อมใสพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และเข้าถึงธรรมธรรมถึงคนอยู่อาจจะเป็นการเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ทุกวี่ทุกวันก็ได้ไม่ไกลอันนี้อาศัยหลักที่เป็นพุทธพจน์ยืนยันอยู่มาผู้อยู่ใกล้เราสถาคตคือผู้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทรู้ทำเห็นธรรม เห็นอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมไปมพูดอย่างหลวงพ่อเตียนหน่อยก็ว่าเห็นอารมณ์รูปนามได้อารมณ์รูปนามนะอารมณ์รูปนามก็คือนี่เราปฏิบัติอยู่นี่นั่งอยู่เนี่เป็นรูปเป็นนามมันเคลื่อนมันไหวก็เป็นรูปธรรมนามธรรมแล้ว ม, มันทุกข์ทุกข์กกใจก็เป็นรูปทุกข์แล้วแต่ทุกข์ใจก็เป็นนามทุกข์แหละโอ้รูปทุกข์นามทุกข์มันอยู่ที่นี่นี่เ<ม>ี่แม้แต่การคืนน้ำลายหายใจเข้ากับพิตา ยังซ้ายยังขวาสร้างจังหวะอยู่นะก็เป็นก้อนทุกข์หายใจก็ทุกข์นะแค่ว่าพวกเราลองกําหนดดูสิหายใจมันมีสุขแค่หรือหายใจเข้าหายใจออกหลวงพ่อพูดเนี่ยคื้น้ําลายเนี่ยไม่ใช่ความสุขเลยมันแห้งแล้งกันดานจริงๆเกลี้ยไม่เข้าคลายไม่ออกเหมือนกันอมันไม่มีน้ําลายหรอกแต่มันตื้นยังไงก็ไม่รู้แค่ว่ามันทุรักทุเลมันเป็นทุกข์ เราอยู่กับทุกข์กินกับทุกข์นอนกับทุกข์ไปกับทุกข์มากับทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์ว่ามันเป็นสุขพระพุทธเจ้าบอกทุกข์เป็นสิ่งควรกําหนดรู้สมุทัยเป็นสิ่งควรละทุกข์ตัวนี้ควรกําหนดรู้ก่อนแต่สมุทัยเหตุของมันนั้นที่มันจะพาเพิ่มมาทุกข์ตัวนี้อีกนะทุกข์จิตทุกข์ใจนู้นพระพุทธเจ้าบอกเป็นสมุทัยทุกข์ความโกรธโลภหลงความโมโหโทโสความ โลกโมโทอสันนะ่ะทุกตัวนั้นแต่เรนนี้อาจจะไม่อยู่กับเราด้วยเราเราเรากําหนดดูว่าเอ๊ะทุกตัวนั้นมีไหมนี่มก็ไม่มีมันอยู่ที่ไหนล่ะตรงนี้ยทุกกายแล้วก็เปลี่ยนท่านั่งไปถ้าร้อนมากแล้วก็ไปอาบน้าบาด ท, ท่าถ้าหิวกระหายเราก็ไปดื่มน้ำดื่มท่ามันก็หยุดมันก็มันก็ดับเรานั่งทับข้างซ้ายมันปวดเมื่อยแล้วก็นั่งเปลี่ยนท่านั่งทับข้างขวา ในข้างซ้ายมันก็หายไปแต่แม่นานมันก็ปวดขาอีกแหละแล้วก็เปลี่ยนท่านั่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้นแหละกิริยาบทนี่แหละมันบางความทุกข์ไม่ให้คนได้เห็นทุกข์เราเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็เรียกว่าสบายแต่ที่ในได้มันก็ทุกข์นั่นแหละแต่มันทุกข์น้อยลง ม, มันทุกข์น้อยลงนักปราชญ์ท่านยังว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับถ้าไม่มีทุกข์เกิดแล้วไม่มีทุกข์ดับไม่มีอะไรตั้งอยู่เลยดังนั้นเมื่อเห็นทุกข์คือเห็นธรรมจะเป็นทุกข์กายก็ดีทุกข์ใจก็ดีถ้าเห็นแล้วเร็ว่าเห็นธรรมทุกข์เป็นสิ่งควรรู้ควรเห็นควรเข้าใจเมื่อเห็นทุกข์เราก็ไม่ไม่ไม่หลงไหลในทุกข์ก็ย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลง นั่นแหละคือทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดเห็นทุกข์คือเห็นธรรมถ้าไม่เห็นทุกข์ก็อย่างว่าเนน่ะก็เลยบางทีเอาสุขเป็นทุกข์เอาทุกข์เป็นสุขเอาคงจักเป็นดอกบัวเอาดอกบัวเป็นคงจักเห็นว่าการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเป็นดอกเป็นคงจักมันทุกข์ โงจักรมันกับวงล้อกงจักรที่จะหุนหมุนหัวคนหมุนจิตหมุนใจให้มันบาดให้มันเป็นแผลให้มันลึกให้เจ็บปวดเมืแต่มานั่งสร้างจังหวะนั่งสมาธิในปวดแข้งปวดขาเหมือนถูกโคงจักรมันหมุนอยู่ตลอดบาดแข้งบาดขามันบาดจิตบาดใจทรมานแสนสาหัสตรงกันข้ามถ้าไปนั่งคุยกันล่ะถ้าไปนั่งเล่นไพ่ล่ะสนุกมัน เอ้มันทำไมแจ้งไวจังเลยเร่นเดี๋ยวเดียวมันแจ้งแล้วเดินกลับบ้านทงเพลงมึงเพลงมึงอยู่ถ้ามันบ้านอยู่ใกล้อะถ้าอยู่ไกลก็นั่งรถเมาเมินไปหมดเลยเนี่ยมันมันมันสนุกแต่มันก็ทุกข์กันนะมันทุกข์นะแต่ละขณะที่เราเล่นเราเมาอยู่มันไม่ทุกข์อ่ะสนุกแล้วก็กินเหล้าก็เหมือนกันเมาแล้วก็แอ่นไปเลยร้องดรำทําเพลงอืแต่เมันรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งมันเหนื่อยแทบตายแล้วเหนื่อย นั่นล่ะเห็นทุกข์เป็นสุขเห็นสุขเป็นทุกข์ก็เลยออกจากทุกข์ไม่ได้ออกไม่ได้เลยดังนั้นพวกเราปฏิบัติธรรมหรือว่าชาวพุทธเราเนี่ยเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามเห็นทุกข์เห็นสุขเห็นเหตุเห็นผลรู้ผิดรู้ถูกแมแต่การไปการมาก็ มันก็จะรู้การทำบุญก็รู้จักบุญบางคนทำบุญไม่รู้จักบุญเมื่อรู้จักบุญก็เอาบุญได้คนไม่รู้จักบุญก็ทำบุญก็ไม่ถูกบุญหรือไม่ได้บุญไม่ได้บุญคนไปหาปลาที่จมโบราณของเราคนไทยเราเนี่จับปลาในบึงในหนอง ถ้าไม่รู้จับปลาแล้จับอะไรก็ไม่รู้แลลวนะจับเอาสิ่งที่ไม่ควรจับเลือจะไปจับเอางูก็ได้เออกูดได้ปลาแล้วโว้ยเนี่ยยกขึ้นมาโอ้ยงูงูไม่ใช่เป็นปลาเราไปหาปลาก็ถ้ารู้จับปลาก็ได้ปล า, าถ้ารู้จับมันถ้าไม่รู้จักมันหามันไม่เจอแล้วถึงเจออยู่ก็ไม่รู้และก็เอาไม่ได้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่สมมติ คนไม่รู้จักทําหาธทมก็ไม่เจอถึงเจอแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรธรรมะอยู่ที่ไหนไม่รู้ก็คิดว่ามันอยู่ในป่าในถ้าในเขาในตำหลับตาําราคิดว่าธรรมะมันอยู่นอกตัวเราอีกมันจะเป็นเหมือนกระแสงเลเซอร์ชาร์จเข้ามาในสมองชาร์จเข้ามาในหัวใจมันก็นชาร์จแบตเตอรี่อู้ขึ้นมาโอ้ได้ทำแล้วเว้ยเนี่ยจะหอะจะลอยแล้วเว้ยได้ทำแล้วเนี่ยจะคิดอย่างนั้น แต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามร ก, ก็ดีผลก็ดีนิพพานก็ดีมีอยู่แล้วในกายกว้างศอกยาวานาคือที่มีสัญญามีใจจงค้นหาที่นี่จงสแสวงหาที่นี่แล้วจะพบของจริงมีอยู่ที่นี่ขี้มาอย่างนี้แต่เรามาลงที่หลงทางก็เลยหลงหาไปเรื่อยๆก็คิดว่าจะอยู่นําอยู่กับที่พระอาจารย์อยู่กับหลวงปู่เจ้าคุณสมเด็จ ท่านบวชมานานท่านคงมีนิพพานเยอะท่านคงรวยมักรวยผล่ะก็คิดว่าอยู่กับท่านแล้วก็หอบข้าวหอบของไปสร้างบารมีไปรักษาจีตกับท่านเพื่อท่านจะแบ่งปันเราบ้างก็คิดว่าอย่างนั้นแตมาสมัยก่อนก็เป็นพระหนุ่มก็ไปหาเรียกว่าไปแบ่งบุญบารมีจากท่านไปหาหลวงพ่อช้าบ้างไปหาหลวงปู่เทศบ้างหาหลวงปู่ฟันบาหาหลวงปู่ขาวบ้าง อย่างน้อยๆก็ไปล้างเทา้าล้างสีนใท่านก็ยังดีบรารมีเราจะเพิ่มขึ้นล้างบาทท่านก็ยังดีบางทีก็อยากให้ทบท่านถมน้ําลายใส่หัวให้ <c oughs> กิเลส จ, จะได้หลุดไปมั่งออะเขนาดนั้นเลยอย่างน้อยๆไปกวาดใต้ถุนบ้านใต้ถุนกติท่านก็คิดว่าได้บุญนะ อ, อก็แปลกดีมันคิดเอาเองเวลาโพลงผ ม, ผมท่านก็แบ่งกันนะ่ะผมอ่ะแปลกมากเลยไม่รู้จะไปทําไม เอาไปแบ่งกันเข้ากรอบไว้ทำไมอะ่ะถ<ฮ>้านเนี่ยก็แบ่งกันคนละเส้น2อเส้นก็มีเออความคิดของมนุษย์ความคิดของคนความคิดของปุถุชนไม่มีดีแต่ไปหาดีจากคนอื่นทั้งนั้นเลยตัวเองไม่ดีเลยแต่ว่าคิดว่าคนอื่นดีผู้ท่านบวชนานท่านต้องดีกว่าเราแน่นอน <c ười> คิดอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไปต่อเมื่อบริบัตกับ การสร้างจังหวะกับหลวงพ่อเทียนท่านสอนอันนี้แหละถึวงพ่อมีดีขึ้นมาบ้างถึงไม่มากก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นมาบ้างอะอ๋อมันดีนี่คนมีสติคนมีศีลมีธรรมมันดีเนี่ยไม่ใช่ขอจากคนอื่นศีลก็ดีธรรมก็ดีมันเกิดมันมีมันเกิดมันมีในตัวของมันสมาเชื่อมัน่นว่าพระพุทธเจ้าสอนดีจริงๆ ที่พระพุทธเจ้าว่าผูดด้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใ ด, ดมาเห็นธรรมผู้นั้นมาเห็นเราเห็นเราก็เห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นเราพูดไปพูดมาเอ๊ะตัวเราก็เป็นธรรมะ ส, ส่วนหนึ่งเหมือนกันนี่เนี่ยไม่นจะธรรมะที่อยู่กับพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นประเทศอินเดียนุน่นจะไปหาไม่เจอแล้วมีแต่ซากเปลักหักพังมีแต่ก้อนหยิบก้อนปวดก้อนหินนะ่ะไปหาไม่เจออัะนั้นเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ไปแล้ว ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าหลวงพ่อเจียนเรยเห็นธรรมก็เห็นเราทำนี่เราทำไม่ใช่ผีทำไม่ใช่เทวดาทำทศฐารสลามนี่แหละทําดี<ม>ก็เป็นธรรมะแหละทําไม่ดีทําไม่ถูกมันก็ผิดแล้วก็ไม่ใช่ธรรมแล้ว<ม>คนไทยก็เรียกร้องกันนักขรนเมืองไทยหาความเป็นธรรมหาคำพูดที่เป็นธรรม ห า, าจิตหาใจที่เป็นธรรมใจที่เป็นธรรมเป็นอย่างไงคนมีธรรมมีอย่างไงไม่รู้เลยใจที่เป็นธรรมใจสะอาดใจสว่างใจสงบเห็นไหมเป็นธรรมไหยเป็ี<ม>่นก็อยู่แค่นั้น่ะเอามาจากไหนเราก็ไม่ได้มาจากไหนเลยถ้าเราสังเกตเดี๋ยวนี้แหละใจดีไหม ใจสะาสะงบใจเรียบร้อยบริสุทธิ์ดีไหมก็ดูเข้าไปก็เอ๊ะมันก็ดีอยู่นี่มันไม่มีอะไรเลยที่ไม่ดีหายใจเข้าหายใจออกก็รู้สึกอยู่เอ๊อเมื่อเห็นอย่างนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้เมื่อได้อารมณ์รูปนามดีคนนั้นจะขยันในการปฏิบัติเดินจงกรมก็ไม่ขี้เกียจจะสนุก เมื่อปฏิบัติได้สนุกมันก็อยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งเข้าใจยิ่งหายสงสัยได้คําตอบว่าโอ้เนี่ยธรรมะคืออันนี้ธรรมะคืออย่างนี้พราะพุทธเจ้าไม่ได้โกหกพราะพุทธเจ้าไม่ได้หลอกลวงสัจธรรมเป็นมีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วมีอยู่แล้วทุกคนมีสิทธิ์มีส่วน แต่ถ้าปฏิบัติถูกนะถ้าปฏิบัติไม่ถูกก็หมดสิทธ์เลยไม่มีสิทธิ์มีส่วนในสีในธรรมในมรรคในผลเลยเหมือนกับเงินนี่แหละทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีเงินคนดีคนจนคนรวยคนบ้าก็มีเงินมีได้ใช้ได้เท่ากันม่ค่าเท่ากันจะเป็นคนชนชาติไหนภาษาใดก็ตามถ้าปฏิบัติธรรมแล้วก็มีสิทธิ์มีส่วน ในเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องนิพพานเรื่องสวรรค์เรื่องนรกมีสิทธิ์มีส่วนเท่ากันแต่ใครจะรวยจะจนใครจะรวยจะจนก็อยู่ที่ความขยันความประหยัด อ, อย่างที่คุณโยมกระนิษฐาว่าเมื่อปฏิบัติเจ็บอารมณ์แล้วมานั่งคุยกันเนี่ยมันไหลไปหมดไหมมันล่วนไหลมันซึมหมดหมดหรือยังหรือไม่ก็มไม่แน่ถ้าพูดถูกมันก็ไม่ไหลออกนะมันจะไหลเข้า ถ้าพูดผิดพูดอะไรต่ออะไรมันไม่ดีมันก็ไหลออกหมดนะ่ะมันจะเจาะตุม่มจากน้ําเส่ตุม่มแล้วก็เจาะถะลูกให้มันไหลออกถ้าทุบให้มันแตกเลยก็ยิ่งหมดไวเลยวับไปหมดเลยเพราะว่าเก็บปานลมปฏิบัติแล้วถ้าเราพูดด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจําเป็นแล้วก็พูดได้ตามเหตุตามผลมันก็ยังอยู่มันก็เขื่อนเรามันทนํานกยังไม่ขาดฝนตกมาอีกมันก็ได้เพิ่มขึ้นอีกก็ยิ่งดี คนอื่นพูดมามีเหตุมีผลเราก็รับฟังมันก็ได้เหตุได้ผลเข้าไปอีก<ม>ไม่ใช่เก็บอารมณ์จะปิดปากลูกเดียวหลวงพ่อเทียนบอกว่ามเมื่อเก็บอารมณ์เราจะงดเว้นปริโภทกงังวลเช่นอ่านหนังสือเขียนหนังสือรับจดหมายส่งจดหมายฟังเทป ฟ, ฟังวิทยุสิ่งเหล่านี้ตัดออกไป แม้แต่การทําวัดสวดมนต์ไม่สวดไม่ทําก็ได้เมื่อเกก็บอารมณ์นะคือปฏิบัติอย่างเดียวไม่พูดไม่คุยแต่จําเป็นต้องคุยกับพระพี่เลี้ยงพระอาจารย์พระผู้สอบอารมณ์นั่นต้องพูดแต่ไม่พูดก็ไม่เป็นไรแต่โอกาสพูดก็มีอยู่เมื่อปวดหัวอ้ปวดหัวหลวงพ่อนีจะทํำยังไงหัวชนฝาแล้ว ปวดหัวมากกุ้มใจฟุ้งซ่านตอนนั้นเราจะคุยกับท่าน<ม>เป็นยังไงก็คุยกันได้ตอนนั้น<ม>แต่คุยกับคนอื่น<ม>บางทีมันคุยไปเรื่อยเห็นไหคุยไปคุยมาทะเลาะกันก็มีเรื่องเดียวกันนี่แหละทะเลาะกันเลยเรื่องลูกเรื่องนามเนี่ยคุยไปคุยมาก็อารมณ์เสียเลย<ม>แต่ถ้าคุยกับพระอาจารย์บางทีท่านก็จะมีวิธีการช่วยมันก็หมอช่วยคนป่วย<ม>ถ้าเคารบเสื้อฟังถ้าปฏิบัติได้อยู่มันก็จบ ก็ไม่มีเรื่องมันก็จบท่านก็จะให้ข้อคิดให้เหตุให้ผลเข้าไปก็ทํำจิตทําใจใหม่มันก็หายปวดหัวหายฟุ้งซ่านหายารําคานมันก็มีความรักที่จะอยู่ต่อปฏิบัติต่อได้หมายถึงอย่างนั้นใ น, นการปฏิบัติธรรมก็ก็ทําความรู้สึกนี่แหละเป็นหลักอ่าจะมาไปถามหลวงพ่อเทียนว่า ถ้าไม่พูดว่าวิปัสสนาไม่พูดว่าพุทธศาสนาแล้วจะพูดยังไงหลวงพ่อมีศัพท์ที่จะใช้แทนกันได้ไหมนี้ไม่พูดวิปัสสนาก็ได้พูดว่าอย่างไงพูดว่าทําความรู้สึกตัวถ้าไม่พูดพุทธศาสนาล่ะก็พูดเรื่องชีวิตเรื่องชีวิตคน <S <S ไม่เคยอ้างถึงพุทธศาสนาก็ได้คือเรื่องชีวิตชีวิตเป็นอย่างไรอย่างไรเกิดมาอย่างไรเป็นทุกเป็นสุกอย่างไรชีวิตคนจะดํารงอยู่อย่างไร ก็พูดไปเรื่องชีวิตนั่นเป็นสากลอย่างที่เราสวดกันว่าสัพเพสาตาานั่นสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นคือเรื่องชีวิตรักความสุขเลียดชังความทุ ก, ก, ท ก, กข์เหมือนกันหมดเลยไม่ว่าคนไทยฝรั่งอังกฤษอเมริกายวนลาวอินเดียแขกเหมือนกันพวกหมูหมากาไก่ก็มีความคิดอย่างนั้นสิ่งไหนมีสุข อะไรมันสุขมันสนุกสนานมันก็เอาถ้ามันทุกข์แล้วมันก็หนีเลยหมูมากาไก่มันก็กลัวกลัวทุกข์เบียดทุกข์มันก็หนีคนเราก็เหมือนกันถ้ามีทุกข์ก็หนีเลยอย่างทุกข์อย่างนั่งอยู่เนี่ยก็อยากจะหนีนะปวดแฉ่งปวดขาอยากจะไปเข้าห้องน้ามุงส่วมอยากออกไปเดินตั้งนอกเดินไปเดินมาก็อยากจะเข้ามาข้างในอีกแหละโอ้ไม่ไหวเราเดินนานแล้วที่นั่งดีกว่าาที่นอนดีกว่ามันไม่สิ้นสุดพอออกจากทุกข์กันนี้มันจะไปทุกข์กันอื่นอีก เรากระทุกไปเรื่อยๆว่า น, นอนดีนอนทั้งคืนทั้งวันนอนทั้งปีได้ไหมไม่ได้ก็อยากจะลูกอีกละปวดหลังปวดเอวนั่นคือการเปลี่ยนไปของทุกขจากทุกอันนี้ไปทุกอันนั้นจากทุกอันนั่นไปทุกอันนั้นต่อไปเรื่อยๆเยป็นลูกโซ่ท่านจึงว่ามันเป็นปฏิจจสมุ ป, ปบาทหรือเป็นอิทธปัจจ ะ, ะตาภาษาบาลีอิทธปัจจะตา เพราะมีสิ่งนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้หมดสิ่งนี้ก็หมดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีมันเกี่ยวโยงกันไปตลอดเลยด้วยเหตุและปัจจัยเหตุปัจจโยะอารมณ์ปัจจัยโยะไม่ใช่สวดให้ผีตายฟังนะคนตายฟังไม่ได้ไม่รู้เรื่องหรอกสวดให้คนเป็นๆ น, นี่แหละฟังแต่คนเป็นไม่อยากจะฟังในงานสฉบแบ่งแห่งก็เล่นไพ่การพนันทินเหล้ามายาพระหรระนนลวงพ่อก็สวดไป แล้วก็คระกระโลงด้วยนะเหนายายรับศีลเอายายฟังเทศฟังธรรมนะพวกผมจะเล่นไพ่กินเล่าต่อไปอยู่หลังโรงหลวงพ่อก็สวดป้าก็สวดอยู่อพธรรมกุศลธรรมมากุศลธรรมมาไยะกตาธรรมมาไปเรื่อยอะคนตายฟังไม่เป็นไม่รู้เรื่องแล้วแต่คนเป็นนี่ทําได้ทําดีทําชั่วแต่เราเข้าใจผิด ก็เลยคิดว่าไปสวดให้คนตายฟังส่งบุญส่งวิญญาณให้คนตายไปสวรรค์หรือไม่ก็ส่งไปนิพพานเลย <c oughs> ลก็แปลกดี <c oughs> นั้นก็เป็นประเพณีธ ร, รมเนียมสมัยพระพุทธเจ้าคงไม่สวดอย่างนี้แน่นอนเลย <c oughs> อย่างที่หลักฐานมียืนยันอยู่ว่าไปงานสสมศิรีมาอย่างเนี้ <c oughs> ท่าไม่ได้ไปสวดกุศลาเลยพระสงฆ์ทั้งหลาย <c oughs> ท่านจะไปแสดงธรรม เรื่องชีวิตของคนเรื่องความรักความชัางของมนุษย์แม้แต่บวชเป็นผ้าแล้วถ้าตกเป็นทาสทุกความรักเราหมดเลยพุทจเรย์ในเศร้าหมองแล้วขุนมัวแล้วพระพุทธเจ้าเลยแสดงธรรมเรื่องเหล่านี้ในความสวยความงามที่ร่างกายของสิริมานั้นมีค่าตัวแพงญิงงามเมืองแต่เมื่อตายแล้วเป็นอย่างไงไม่มีค่าเลยขายก็ไม่ออกประกาศขายไม่มีใครซื้อเลย แต่หาปหัญหหนึ่งก็มีใครเอาไม่มีใครเอามีแต่นอนเข้าช้อนชัยเน่าเฟก<ม>ให้เปล่าก็ไปเอาแล้วบัตรเอาใครจะเอาเปล่าเลยเอาไปเลยเอาไปดองไว้ไม่ได้เอาไปนอนกอดไม่ได้แต่มีชีวิตอยู่คนอยากจะไปนอนด้วยไปร่วมสุขร่วมทุกข์เมืม่อ<ม>ตายแล้วไม่มีใครต้องการเลยความสวยความงามความดีความเด่นไปไหนหมดหมดท่าแล้ว นั่นนัการประพฤติปฏิบัติธรรมเขเพื่อจะเห็นอย่างนี้หล่ะเห็นทุกข์เห็นธรรมแล้วออกจากทุกข์ได้ออกจากทุกข์ได้ก็ไม่ต้องแบกทุกข์ไม่ต้องเอาทุกข์แล้วทุกคนนั่นแหละผู้พูดอยู่นี่กรมือนการมันจะมาหมดทุกข์นะมันก็ยังมีทุกข์อยู่นั่นแหละทุกข์ปวดขาเนี่ยทุกข์ปวดหลังปวดเอวเนี่ยทุกข์หิวท้องแห้งท้องคอแห้งเนี่ยมันก็ทุกข์ มันต้องแก้ไปเรื่ อ, ๆอยๆ น, น, นะทุกคนนี่นะลหลายๆคนบอกตายแล้วก็หมดทุกข์โอ้ยพวกท่านทั้งหลายที่เขาไปเผาโศกเผาอืกจะดูกนันนเมื่อตายแล้วก็หมดทุกข์แล้วพวกเรายังมีทุกข์อยู่คิดไปอย่างนั้นอีกล่ ะ, ะมีคนไปถามหลวงพ่อเลยสีเหลืองดาทางปฏิบัติทำที่ทางรัดที่สุดให้หมดทุกข์ไว้ที่สุดแต่คือทํทำยังไงหลวงพ่อท่านบอกถ้าคูบอกไปแล้วพวกสู้อย่าโกรธนะบอกมาเลย ฆ่าตัวตายซะฆ <laughs> ่าตัวตาย <laughs> โอ้ฆ่าตัวตายแล้วหมดทุกข์มีความเชื่อของมนุษย์เป็นอย่างนั้นทางรัดแก่ทุกข์ง่ายเห ง, งนกันนะมันก็หมดแต่ท่านพูดเล่นเท่านั้นนะมันนพูดเล่นหมายถึงว่ามันรัดสั้นที่สุดพูดอย่างเจ้าคุณพุทธทาสว่าฆ่ากิเลสตายซะเรียก <laughs> ว่าตายก่อนตายถ้าฆ่ากิเลสได้แล้วก็มันก็จบกิเลสมันตาย แต่ร่างกายยังไม่เน่าไม่เหม็นกิเลสมันตายดังนั้นเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วก็สร้างจังหวะเดินจงกรมมานี่แหละเมื่อมันปวดหัวปวดเสียนเวียนเก้าแล้วก็หาวิธีเปลี่ยนพอนเราเดินไปตอนเรากลับเราหมุนไหวมันก็เวียนหัวมันหลายรอบอ่หมุนรอบอย่างนั้นนะ่ะแต่ถ้าเราฉลาดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนเทคนิคกลับซ้ายบ้างขวาบ้างซิกแซกกันไปมันก็สนุกเดินมากมันก็เมามืนา็นั่งลงบ้างยืนบ้าง พักผ่อนบ้างเดินถอยหลังบ้างเดินหน้าถอยหลังเนี่ยดูกับพิษตาหายใจบ้างมันก็สนุกดีอนั่งเหยียดแข้งเหยียดขาบ้างก็เปลี่ยนยิริยาบทเอานั่นแหละเมืม่อเห็นอารมณ์รูปนามก็เมื่อเห็นอย่างที่ตะมากล่ามาเบื้องต้นนั่นก็มาเลยถึงเรื่องอ น, นิจจังทุกขังนาตาอ น, นิจจังคือความเปลี่ยนไป ไม่คงที่ถาวรทุกขังคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันกระบวนการของมันอิทัปปฎิจตาของกันและกันเพราะมันไม่เที่ยงมันจังเป็นทุกข์แตเพราะมันเป็นทุกข์มันเป็นยงเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้อีกเห็นีหมมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาทุกขังอนิจจังอนัตตาเป็นกระบวนการของกันและกันเกิดเป็นกระบวนการแล้วกระจบไปแล้วหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆทางกายก็เป็นเหมือนกันทางใจก็เป็นเหมือนกันความคิดแต่ละคิด แต่และดวงเกิดขึ้นนะ่ะมันก็ทนอยู่ในสภาพของมันตลอดไปได้มันก็ต้องจบต้องสิ้นของมันบังคับว่าเรื่องดีๆคิดสนุกๆอย่าจบเลยนะไม่ใช่ ไ, ไม่ได้มันก็จบไปของมันมันก็เริ่มเรื่องใหม่อีกนะนี่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในฝ่ายรูปรธรรมก็เป็นในฝ่ายนามะธรรมก็เป็นเป็นกระบวนการที่ว่าในความเปลี่ยนไปเป็นอาการชนิดหนึ่ง เมื่อเห็นแล้วเป็นอย่างไงโอ้เห็นแล้วก็ทําจิตทําใจได้ทําจิตทําใจได้วบอกร่างกายมันเป็นอย่างนี้เพรมันกดธรรมชาติเพรมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเจ็บมันปวดแล้ก็เปลี่ยนไปมียาก็รักษาไม่มีก็จําเป็นถึงข่าวตายก็ต้องตายไม่มีใครรอดพน้นมันอาจจะทําจิตทําใจมันเกิดเพรามันเองนะมันเกิดเพราะมันจากนั้นเรากาเห็นสมมุต สมมุตินายกรนายขอสัพพนามสมมุติอย่างบาลีเราเรียนกันมานามนามสัพพนามคุณนามนามนามสัพพนามคุณนามคุณนามเนี่ยหมายถึงคุณธรรมคุณของนามคุณความดีก็เป็นคุณนามนามที่เป็นคุณในฝ่ายกุศลเรียว่าคุณนะนามคุณธรรมเห็นคุณธรรมหรือธรรมว่าคุณคุณของพระธรรม ทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วทำรักษาคนแรกๆละคนรักษาธรรมก่อนเหมือนกับเรารักษาศีลนะรักษาศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยิบเจ็ดแต่เมื่อปฏิบัติธรรมเข้าขั้นปรมัศน์เข้าของจริงแล้วก็ศีลรักษาคนแล้วธรรมะรักษาคนแล้วเหมือนกับบ้านหลังเนี้ยรักษาเรากันแดดกันฝนให้เราบ้านก็นเป็นสมมตินะสมสมติให้เป็นวัดแล้ว บัตรแต่สมมุติเราก็ยอมรับสมมุติก็เข้าใจของจริงเลยนะสมมุติกับปรมาจิตมันคู่กันอยู่แล้วนี่มันจะมีเหยียบย่ำทไมวะคิดไม่ออกเลยเมื่ อ, อ, อไปเห็นแล้วมั น, รรนทันนาได้กคเสียงคิดเก่ามาแล้วจําเป็นม่าต้องทะเลทรายอ่ะต้องหกล้มหกล้มกป็นเหยียบย่าไปหไมดเป็นเรื่องจริงมีเหตุมีผล <c oughs> ไม่ยชกคนอินเดียเขาไม่รู้จักข้าวก้าหรอก้าแขกสมัยนั้นก็รู้ดีอ่ะทไร่ทํานาแม้แต่กษัตริย์ก็ทำน า, าทำไมจะไม่รู้จักข้าวก้าเลยเนาะรู้จักแน่นอนเลยคงไม่เหยียบถ้าไม่จําเป็นในเหยียบยำ่ำาัะนั้นการที่จะเข้าพรรษาที่นี่เราก็ต้องอช่วยกันปฏิบัตินะนะโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งท่านอาจารย์ม า, าดิเลกท่านมาจำพรรษาแล้วพวกเราก็ต้อง ช่วเป็นปากเป็นเสียงนะยกภาษาคดียมอมละหลายคนนะยกแม่บุญถิงก็ดีถ้าเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันมันก็ดีไม่แหกพรรษานี่ธรรมดาบวชมาหลายปีแล้วไม่แหกพรรษาเลย <c oughs> ไม่กล้าที่จะลุกอํานาจไปเลยถึงจะเดือดร้อนอยังไงก็ต้องอยู่สามเดือนให้หลุมฝังศพหรือขุดลุมฝังมันเลยอืมไม่แหก <c oughs> ไม่ไปต้องอยู่ให้ตายไปเลยถ้ารอดไปแล้ว <c oughs> เออดีออกพรรษาแล้วสามเดือนตายมาก ไม่ขาดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัจจะเราอธิษฐานเลยเนะี่ยสัจจะถึงจะมีปัญหาหนักทำไมพระพุทธเจ้าก็มีนะปัญหาหนักที่สุดเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่พาไปสู่แห่พรรษาจำพรรษาอยู่เมืองหนึ่งคนยากคนจนข้าวยากหมากแพงฝนก็แล้งหลายเดือนหลายปีไม่มีใครใส่บาตรเลยไม่อยากจะใส่บาตรด้วยเออก็แปลกดีในที่สุดไปเป็นธทบาทเอาจากพวกเลี้ยงม้า เอาข้าวเปลือกข้าวแจกข้าวรำมาเลี้ยงมาเห็นพระสงฆ์ไปเป็ยนทรบาตรเขาก็แบ่งให้มั่งก็ได้มาฉันจนกระทั่งพระโมคคันลาอพวกพระสงฆ์ทั้งหลายชวนหนีไปเถอพะพระพุทธองค์หนีเถอะบ้านนี้เมืองนี้เขาไม่ใส่บาตรไม่ทําบุญได้ยังไงไม่มีข้าวฉันแล้วฉันไม่อิ่มแล้วบางทีก็กินข้าวกับน้ํำต้มผักต้มข้าวเปล่ากับใส่ผักน้ําผักดองอย่างนี้ยอยู่ไม่ไหวแล้วไปเถอะ พระพุทธเจ้าก็ไม่หนีไม่ไปอยู่นี่ละในที่สุดพระมุคลาเลยเลยจะขอนําพาภิกษุด้วยปาฏิหาริย์ของท่านจะไปเป็นธาบาดเมืองสาวาทถิมากินมาฉันอ่าพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตอีกละไม่อนุญาตอืมจนก็จนทุกข์ก็ทุกข์ไม่มีกินไม่มีฉันก็อยู่กันนี่แหละคื อ, อขนาดนั้นเลยจะขอพลิกแผ่นดินกินวัตดินดว่างั้นนะไม่รู้เป็นยังไงวัตดินไม่เคยรู้จัก แต่ตำราว่าอย่างนั้นเอ๊ง้วนดินมันเป็นไงฮะเพื่อไปขุดไอ้แมงอะไรเนาะแมงที่มันทํารังอยู่ที่ใต้ดินน่ะแต่มีน้ําหวานอยู่ข้างล่างนะมันมีข้างข้างล่างมีน้ําหวานเขาบอกว่าง้วนแมงแมงน้อยภาษาอีสานนะภาษาภาคกลางคิดไม่ออกก็พูดว่าง้วนดินคงจะเป็นอย่างนั้นมัน้งคงจะอร่อยคงจะกินได้กันตายได้อ่ะคิดไม่ออกว่างวนดินคืออะไรพระพุทธเจ้าก็ไม่อนุมัติอีกเห็นไหม นี่จะให้พระสงฆ์อดตา ย, ออยาได้ยังไงเนอะพระพุทธองค์เราอ่านไปแล้วเราสงสารพระสงฆ์ด้วยถ้าเป็นสมัยเราจะทํำยังไงคงหนี้แน่นอนนะ่ะไปดีกว่าไว้พระพุทธเจ้าไม่ไปเราไปได้เนี่ยก็ขาไม่ผูกติดกันแต่พระสงฆ์สมัยนั้นเขาเสื้อสัตว์สุจริตก็ไม่ยอมไปไม่ยอมหนีห้างสู้เป็นสุตาอยู่นั้นในที่สุดออกพรรษาแล้วก็พามคนที่นิมนต์ไปอยู่ก็เลยสานึกคิดถึงพระพุทธเจ้าเอ๊ะ ทำไมพามนิมนต์ไปแล้วทำไมไม่ใส่บาตรทำบุญเขาบอกมารดนใจมารดนใจไม่ให้คิดออกไม่ให้ดูแลพระพุทธเจ้าว่างั้นไงเพราะพระพุทธเจ้าทําไมไม่โดนใจมารเนะียมันเข้าใจผิดเรื่อมันหนีไปเลยเออไม่โดนใจพามให้กลับใจมาก็าไม่ทําอย่างไรเลยพระพุทธเจ้าไม่ทําอะไรเลยพามคนนี้ก็เรื่อามใสศรัทธามากก็เลยอ้าวข้าพระองค์ขอสํำนึกผิดแล้วขอทําบุญเต็มที่สามวันสามคืน ขอทำบุญเต็มที่ขอถวายจตุปปัจจัยขอถวยายใจจีวรแก่พระพุทธองค์กับพระสงฆ์ทั้งหมดอเลี้ยงส่งเลยเลี้ยงส่งถวายจีวรส่งเต็มที่เลยเออก็ดีเหมือนกันนะให้อุดมากังเกือบเรียนสองเดือนสามเดือนสุดท้ายก็เลี้ยงเต็มที่เลยอืพระสงฆ์ก็ฉันเต็มที่เหมือนกันได้สบงจีวรอย่างงามอย่างดีไปเลยเนะี่ยเป็นอย่างนั้นไปดังนั้นการเข้าพรรษาก็เป็น สิ่งที่ดีอืเป็นสิ่งที่ดีปีหนึ่งจะมาสาอยู่ที่วัดโชลประทานหลวงพ่อปัญญาเจ้าคุณปัญญาบอกว่าพระสงฆ์ออกวินทบาทตั้งแต่นู้นตีสี่กว่าๆนะพระสงฆ์บางรูปก็เคร่งวินัยบางรูปก็ไม่รู้ละบวชใหม่ทั้งนั้นเนี่ยเกือบร้อยสองร้อยรูปเลยนะย<อ>ินทบาทออกไปเราเราบวชมารู้จักวินัยอยู่แต่เราก็เอาพวกมากเป็นลากไปพวกมากก็ลากไปแล้วก็ไปด้วย ตีส่กว่ากว่าออกวินทบาากันแล้วเนาะไปก็ไปเพื่อนก็ไปแล้วก็ไปนี่บินทบ่าแจกสำหรับพุทธการเลยใครไปไหนได้ไปใครกลับที่ไหนได้กลับเต็มบาทกลับไม่เต็มบาทก็กลับได้จําได้ว่าวันนั้นได้ได้ได้ปินโตเท่าหนึ่งลงส้นเพื่อนหายไปเลยไก่ยังไม่ลงคอนเลยไก่ยังมันไม่เห็นน่ะเอ๊ะก็หายไปไหนวะเพื่อนก็หลายอยู่หากแต่ว่าเรามันเดินช้ากว่าเขา เราพาบ้านนอกเข้ากรุงเนี่ยไปยังไงวาหายไปช่างมันเลยเว้ยเดินไปเดินมาไปเจอโยมคนหนึ่งจะจะสักฆทานนั่งอยู่ที่เตียงอ่ะหน้าบ้านเขาตัวเลยอ่านี่มพนพระคุณเจ้าเฮ้นี่มน อ, อะไรวะเราก็ไปยืนเนาะนี่มนก็มนรับเขาก็ว่าแล้วมาม า, มาไปเบดของเท้าล่ะเราลยกเป็นตัวถวายแล้วก็รับเลยให้เอามาส่งไมโ ย, ยมไม่ถวายเลยมึงเนี่ยโอเกือบเ่าไปส่งเขาถ้าเขาไม่บอกนะ ถ้าไม่ได้ถามท้างเอาไปส่งเขาจับบ้านไม่ได้ด้วยถวายเลยถวายแล้วก็ไปต่อไม่ได้แล้วกลับดีกว่าไม่รู้ทางด้วยกลับมาตลวงพ่อเทียนถามว่าคุณดาบิมธบัติคือมาไวใช่มาไวเลยหลวพอไม่รู้ทางเลยเขาหายไปหมดเลยพระสงฆ์ไปยังไงไม่รู้นึกว่าจะไปเป็นแถวกันนะ่ะผมไม่รู้ที่รู้ทางผมจกลับมาไหนหละ่ะได้อะไรมามั่งได้เท่านี้หลยหลวงพ่อชัดไม่อิ่มเลย ก็ลูกพ่ออืทีแรกก็อยากจะไปกับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนก็คิดใจซื่อยังไงไม่รู้ไม่รอเราเลยอขาก็แปลกดีพระสงฆ์หวังลูกเขาบินธรบาตรนู้นเข้าเมืองนนเลยขึ้นรถเมย์สายแรกเลยสายเย็บมากขึ้นรถเมย์กันเต็มเลยเชือเพื่อรถเมย์เขาก็พอวาลนาถ้าเที่ยวเวลาเท่านั้นอ่ะตีสี่สามสิบอย่างนี้แหละถ้าพอคุณเจ้ามารออย่างเนี้ยยี่สิบสามสิบรูปขึ้นเลย เขาไม่ขึ้นเลยเขามารับพิเศษแต่ตอนกลับพระคนเย้าช่วยตัวเองนะขับรถเมยกัอุ้มบาดขับรถเมยกันสนุกดีเหมือนนะโอ้โหวัดจุประทานตอนนั้ำพระเยอะอ่ะก็อิสระด้วยในที่สุดหลวง พ, พ่อปัญญาเลยสั่งเพราะว่าบางคนบางลูกท่านบอกว่ามันออกออกก่อนเวลาต้องให้มันเสร็จลายมือก่อนบางลูกว่านะบางลูกว่าต้องเห็นใบมะม่วงเป็นใบมะม่วงก่อน <laughs> โอ้อย่างนั้นแถวเหลือ งั้นก็ยากที่จะออกไปบิณฑบาตทันแต่ล็อกประตูเลยอ่าหลวงพี่องค์หนึ่งบอกไม่เป็นไรพวกเราออกหลังวัดออกก็ออกออกหลังวัดกันเลยมันมีประตูอยู่หลังวัดออกไปงฮู้นออกไปนู้นก็ไปได้อีกละ่ะก็เลยปิดไม่อยู่เลยล็อกไม่อยู่เลยก็ภาพใหม่มันเยอะเนี่ดังนั้นความคิดความอ่านของคนตีความหมายว่าอยู่จําพรรษาแล้วไม่ออกไปไหนเลยนะ ก่อนรุ่งสว่างก่อนรุ่งอรุณก่อนเห็นลายมือก่อนเห็นใบมะม่วงเป็นใบมะม่งงวงก่อนลุงพี่อ้วนหนึ่งก็ฉลาดพูดยังไงไม่รู้กับระท้วงกันนะแล้วผมจะต้องเก็บใบมะม่วงทุกวันไหมเนี่ยต้องดูใบมะม่วงแล้วต้องไม่ดูนาฬิกานละ้ดูใบมะม่วงกขาบอกนะถ้าวันไหนฝนทำท่าจะตกมันคลืมอยู่ตลอดนะ่ะถ้าใบมะม่วงไม่เห็นใบมะม่วงมันออกไม่ได้ทํำยังไงยะลุงพี่ไม่รู้กันยังไงอะพระมันปิติพาปัญญาชนทั้งนั้น่ะ ส่วนด้วยนนควา ม, มงมงายของความเข้าใจผิดควา ม, มงมงายอันนี้ก็เรื<ม>่องธรรมดากัรเขา้าภาษาก็อย่างที่ลุงพ่อดออรวิเวกว่ามาอยู่อเมริกาทะเลาะ ก, กันเรื่องเขา้าภาษาจะตีปากกันต่อยปากกันได้ได้แตกดีก็ตอนนี้มันซัมเมอร์หน้าร้อนเข้าภาษาได้ยังไงยังไม่ถึงหน้าฝนก็เลยอย่างเนี้ยเขาเอาได้ดูการ่ะ ตอนแต่เรามันมั น, ม, นมันถือธรรมเนียมเก่าว่าเอาธรรมเนียมอินเดียมาถึงช่วงนี้ต้องเข้าพรรษาอไม่ไดเอาอธรรมเนียมอเมริกามามาเข้าพรรษาก็าถือร่างเดิมถือของเดิมีมเม่เป็นเรื่องธรรมดาแล้ววกมาถึงการปฏิบัติล่ะออย่างที่หลวงพ่อเทียนเคยพูดว่าใครไม่ชอบใจก็พุ่งไปามพรษานอกวัดก็ได้ <laughs> ไปยามพรษาอยู่นอกกำแพงนั่นเอา ทำไมไปให้ไปนอกกำแพงของพ่อแล้วก็คุณไม่ปฏิบัติมาอยู่ทําไมก็มีจริงๆนะมีสองรูปปีนั่นนะออกไปอยู่มุมกำแพงอีกรูปหนึ่งออกไปอยู่ในสวนเลยก็บิณฑบาตไปกับพวกเราเนี่ยแ่ะบางทีอาตมาก็ว่า้ เ, เล่นๆนะหลวงพี่อย่าไปบิณฑบาตตามคนผมนะผมไม่ชอบนะหลวงพี่อยู่คนณะสำนักแล้วมาชัดสำนักวัดสำนัยนะว่าเขาเข้าก็เขาก็ไปอยู่นั่นแหละแต่เขาอิสละอืม โยมก็ไปอุปถัมภเขาดีเหมือนกันนะพวกพระอิสระเอีกงรูปหนึ่งก็อยู่มุมมุมวัดอีกมุมหนึ่งมันมีต้นข่อยเป็นภุมิภูมิเป็นภูมเป็นภ่มนะแกก็ทําเป็นโพงเข้าไปน่ารักเหมือนกันเลยเนี่ยอบินสมาบินสะบัดมาแล้วก็สะสมมากเลยของกินของอยากจนเน่าแถวนั้นนะ่ะเหม็นเลยเฮ้ยมันนอนได้ยังไงวะมันกับคนบ้าจริงๆแกเป็นบ้านั่นนะ่ะนะเล็บนี่ก็ยาวไม่ตัดเลย เราบอกหลวงพี่ทําไมมาแตะเล็บมาก็มันธรรมชาติโอ้โหธรรชาติหงพี่ไม่โกรนอะ่ะโกรนมันยาวนะผมจะยาวมากแล้วมาในที่สุดจะบ้านั่นเองแต่หลวงพอเทียนก็ไม่สนไม่ส น, ไ ม, สนไม่ทักไม่ไทยแต่หลวงพี่เอานันก็ก็เงมือนออกพรรษาแล้วก็หนีไปเอาไปศึกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะคือพวกแอบแฝงนะมันแอบแฝงมาแต่ไม่ปฏิบัติ ดังนั้นพวกเราอยู่ที่นี่ที่ไหนก็ดีมาสนใจปฏิบัติแล้วก็ดีจะเป็นวิธีไหนก็เอาพิสูจนลงไปจะเป็นพูดโทยุบหน่อพองหน่อฉบัละหังอาณาปานสติจะเป็นอะไรก็ตามต้องพิสูจนพิสูจน์ที่ตัวเราไม่ใช่พิสูจนที่ตัวพระสงฆ์ที่ตัวผู้สอนผู้เป็นอาจารย์แต่หลายๆคนน่ะเขาไปสอบอารมณ์ สอบอารมณอาจารย์แล้วก็ดีเหมือนกันนะที่ใครทีมันทีอาจารย์สอบอรมก็ดีที่ลูกศิษย์สอบรมณ์อาจารย์ก็บางทีก็กรรมาฐานแตกไปนิดนึงตรงพี่อีกหนึ่งแกสอนธรรมะใหม่ๆแกก็หัดพูดเมื่อหัดพูดก็ต้องใช้ภาษาที่ให้มันเพาะอ่าเขาเขาบอกว่าหัวก็ต้องว่าศีรษะตีนนี่ก็ต้องว่าเท้าภาษาให้มันเพาะเขาบอกน แกก็สอนนอนะ้อล่ะสอน น, ออน้อก็ไปสอบลมโยมโยมพยมบ้านนอกเขาก็ว่าไปตามบ้านนอกของเขาอเวลาเดินให้มีสติอยูที่เท้าก้าวซ้ายก้าวขวาซ้ายย่างนอขวาย่างนอสติอยูที่เท้าอยู่ที่ส้นส้นเท้าที่บอกนะั้นความรู้สึกมันแต่เวลาลมมันก็อยู่ที่นี่แหละแต่ว่าตอนมันจบมันลงในที่เท้า ที่ส้นส้นสุดนะมันจบจ้นเท้านี้เท้าซ้ายจบไปเท้าขวาก็ยกขึ้นนะมันก็เคลื่อนไปมันก็จอดจมมันก็หยุดพอดีโนะยมคนนั้นก็อยางว่าเนี่ยเขาเขากำหนดไปตามนั้นแต่ภาษาพูดเขาพูดเป็นคนพูดไม่เพาะอาจารย์ก็สอนดีแต่เขาอาจจะเป็นนิสัยเขาน่นะยกเวลาเดินเอาสติไว้ที่ไหนอยู่ที่ส้นตีนเขา อาจารย์ก็เลยอนยกว่าเขาเขาแกล้งอ่ะเขาแกล้งอาจารย์อ่ะพูดอะไรพูดให้มันเพราะๆให้มันน่าฟังหน่อยสิโยมข้มันกินอย่างนั้นไม่ใช่เรือข้าวคุณเจ้าก็ข้าวคุณเจ้าสอนดิฉันอย่างนั้นนี่เวลาเดินเอาสติเวสิส้นตีนหนักเข้าไปอ่ะอาจารย์ก็ต้องอารมณ์เสียไปเหมือนกัน ส้นเท้าอย่างนี้มันก็พอดีสนตีนเราสนตี น, น, ตนมัหมดเลยมันไม่ดีหนักเข้าไปอีกวันต่อมาก็สอบอารมณ์อีกอเดินเวลาเดินน่ะซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอใช่ไหมโ ย, ยมใช่ลองเดินให้ดูสิซ้ายย่างขวาหนอขวาซ้ายย่างหนอเอาทําไมเป็นอย่างนั้นล่ะใครสอนเนี่ย ก็าอาจารย์สอนสายย่างขวานหนอขวานสายย่างหนอมันไปเอ็มเซแล้วเนี่ยมันก็เลยกลับกันคนแกเปิด ก, กรรมฐานอาจารย์สอนอย่างหนึ่งแต่แคไปทํำอีกอย่างหนึ่งไม่จะเป็นจริงๆอันนี้เป็นเรื่องเก็บความเคล็ดลับเล็กๆแตน้อยที่เราจับไม่ถูกอย่างนี้ก็เหมือนกันทําไปทํามาก็อย่างนี้แหละ อทำไมทําอย่างนั้นใครสอนเนี่ยหลวงพ่อเทียนสอนนู้นยกขึ้นสุดหัวสุดเท้าเลยสุดหัวสุดดินยกอย่างนีเลยฮะอ้าวทำไมทําอย่างนั้นล่ะโยมก็สติมันดีรู้สึกนะโอ้ใครสอนเนี่ยก็หลวงพ่อเทียนสอนอยู่นั่นนี่คุณก็เลยเดี๋ยวมาเลยถามหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อหลวงพ่อสอนอย่างนั้นเหรอสอนอย่างไงคุณน่สอนอย่างเนี้ยฮะ อย่านี้วันหลวงพอ่อก็มันบ้าทําเองหลงพ่อสอนแค่นี้เขาว่านะนะสอนแค่นี้แต่ลูกศิษย์มันตะเลิดเหรอยิ่งหนาวหนาวมันอุ่นดีเขาบอกคนบางเลยมันสนุกดีเล ย, เลยมันก็เลยเนี่ยว่าเราก็เอเรียนสอนนะถามหลวงพอ่อไม่ได้สอนนะเขาทำของเขาเองเป็นธรรมดา เป็นเทคนิคของแต่ละคนเวลาเขาง่วงเขาจะทำรุนแรงเวลาใจดีใจงามเขาทำใจเย็นได้ไหมทำใจเย็นๆไปค่อยเป็นค่อยไปมีหลวงพี่องค์หนึ่งแกก็เป็นลุ่ น, น้องของอาตมาแกอยากอยากอยากหมดทุกข์คือเข้ามาขอปฏิบัติหลวงพ่อเทียนอยู่ขอนแก่นซือมหาลินทองแกก็ศรัทธาดีนะ แกก็มีญาติพี่น้องมีอะไรธรรมดาเนี่แหละแกก็มีญาติพี่น้องอยู่แต่ใจก็อยากจะหมดทุกข์อยากจะเป็นนารหันแกพูดอย่างนั้นจริงๆมันพูดกับธรรมาทิไลยเราก็รู้สึกว่ามันมันพูดสูงเกินไปอะ่ะบางทีเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เอามั่งอะ่ะคุยก็แกในที่สุดวันต่อมาต่อมาแกก็ทําแบบอย่างนี้ไปรูกแกเพ่งมากเพ่งแล้วก็ทํำไว้ด้วย ทำก็ทำแรงด้วยทำแบบดิ้นล้มดิ้นตายเลยทำแบบนั้โอกเตือนแดงหมดเลยทำไมมันทำอย่างนั้นวะดิ้นัลยโอ้หนักอาจารย์หนึ่งเขาก็สอนดีเขาเป็นพี่เลี้ยงนะนะเขาบวอกอย่าทำรุนแรงอย่าทำมันิ่งแรงขึ้นเลยยังไงก็ บอกทํำค่อยๆหยุดไม่ได้เลยแกบอกน้ําไปเขามันเองเลยเอาไม่อยู่เลยกุติเป็นกุฏิเขาเรียกว่ามุงจากระหว่านี้มันเสาเล็กๆเอาอะไรบัตรขุมพําขุมวัดขุมพังโยกเลยเอาไม่อยู่เลยเฮ้ทํำยังไงดีเรา่อาจารย์ผู้เป็นพี่เลี้ยงก็หยุดไม่ได้เลยก็เลยให้มันเหนื่อยเต็ที่มันก็นอนจากนั้นมาก็นํามาหาหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อ เรามาหาลินทองแกทําอย่างนี้จะทํำยังไงหลวงพ่อก็เรื่องของมันหลวงพ่อกเอ๊ะทําไมมาช่วยอ่ะช่วยไม่ได้อ่ะในที่สุดแกเลยเป็นไปเรื่อยๆเลยเป็นไปเป็นมาอยากแกวิ่งหนีขึ้นรถขึ้นลาทิ้งผ้าจีบอลสวงเลยก็แปลกดีวันนี้ก็มอบให้อีกหลวงพี่หนึ่งเป็นเป็นพี่เลี้ยงจะวิ่งก็วิ่งตับก็ขึ้นอยู่ดีๆลุกขึ้นแต่วิ่งเข้าป่าไปนั่น โอ้น่าสงสารมากเลยแล้วจะทำยังไงในที่สุดก็ช่วยไม่ได้<ร>เพราะอะไรล่ะเพราะไม่ฟังไม่เคารพเชื่อฟังเหมือนกับคนป่วยไม่เชื่อหมอ<ร>หมอบอกใิ้ยานะกมากินโอนตินมาให้กินไหมโอนตินกินไหมหคว่มทิ้งเลยทำไมคว่มทิง้งะมันจะเบื่อผมมันจะฆ่าผมแล้วกันเ <laughs> <c oughs> นี่ยบางทีเข้าตัวแข็งไปเลย ตัวแข็งลักษณะอย่างนี้มันทํำยังไงมันทําตามอารมณ์ของมันคนอื่นพูดไม่ฟังลักษณะอย่างนี้เรียกว่าการปฏิบัติไม่อยู่ในล่องในลอยไม่อยู่ในครูบาอาจารย์มันทําของมันเองในที่สุดหลวงพ่อเทียนบอกไม่ต้องทํากรรมฐานไม่ต้องทํากรรมฐานแล้วให้มันทํางานแต่ถ้ามันทํางานมันดีขึ้นนะแต่ถ้าไม่ทํางานแล้วมันไปเข้าในอารมณ์ของมันหมดเลย ในที่สุดแกกับทะเละถลายไปคุ้มดีคุ้มรายจีข้อพี่ออกแต่ก็พอพูดรู้เรื่องอยู่นี่แหละความอยากความยึดความอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากเป็นอรหันต์นี่ก็มูมากเอมือนกัน <c oughs> <c oughs> ความอยากมันทำให้หมุนไปทำให้คนผิดเพี้ยนไปปวดหลับปวดนอนบางทีไม่กินข้าวกินปลาประสาททำงานผิดมันก็ไปเลยจาเหาะจะลอยเลยมันเบา ดังนั้นครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่ดีอเป็นกัลยาณมิตรแต่มาก็เป็นหลายที่ออกกันแต่แต่บางทีก็หนีลงพ่อเทียนไปมันอ้างเหยื่ด่างผลลงไปธุระอ้างเหยื่ด่างผลมาไปสอนเขาอ้างเหยื่ดัางผลมาไปชวนเพื่อนมาปฏิบัติในความคิดมันไปดีแต่ดูแล้วมันเข้าประตูแล้วออกหน้าต่างตอนมาเข้านาวัดแต่ตอนออกมันออกหลังวัดนะจะเดิอนอ้อมไปที่อื่นนะ่ะ ไม่ยอกให้ใครเห็นเลยลักษณะอย่างนี้มันมันเป็นจิตที่ไม่ค่อยปกติท่านนะอืมันไม่ใช่คนธรรมดาเลยนะลักษณะอย่างนั้นบางทีเราก็ไปตามมันบางทีเราก็หยุดมันไม่ไปเลยไว้ถ้าลวงพ่อเทียว ก, กลับมาถ้าไม่เห็นเราแลยถ้าเรากลับมาทีหลังคุณดาไปได้มาลงไปทุระมาไปสามวานสามคืนกลับมาแล้วในที่สุดท่านอาจจะบอกว่าอย่ามาอยู่ด้วยหนีไปไกล ไม่อยู่ด้วยแล้วพระอย่างเนี้ยบอกให้ปฏิบัติอยู่นี่มันนี้คือเล่นที่อื่นไปเที่ยวที่อื่นอย่างนี้เราอาจจะไม่ได้อยู่กับท่านดังนั้นเร า, าต้องจงรักภักดีซื่อตรงกับตัวเองไม่ต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างหนึ่งคำนองว่าหน้าไหว้หลังหลอกก็สอนตนเองนะนะเมื่อสอนตนเองได้คุมตนเองได้มันก็ ความผิดความเพี้ยนก็น้อยลงถ้าคุมตนเองไม่อยู่ก็ไปตามอารมณ์มีอยู่หลายต่อหลายครัง้งหลายต่อหลายหนจะเป็นสายไหนก็ตามอ่ะเมื่อปฏิบัติแล้วปฏิบัติมากๆแล้วมันเคร่งเมื่อเคร่งแล้วมันคลัง่งเมื่อคลั่งแล้วมันก็ไปข้องมันในวะันนี้ออันนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะเหมืนกับโรคมะเร็งเนี่ยนะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว อาจจมาเคยไปอบรมโรคมะเร็งหลายเที่ยวกับพวกหมอฟังเขาไปฟังเขามันจะไปเป็นหมอแต่ไปฟังเรื่องโรคมะเร็งก็น่าคิดแล้วก็น่าฟังแต่ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นนะแต่ถ้ามันเป็นล่ะ อ, อ๋อพอจำเป็นแต่บางคนได้ฟังหมอแล้วรู้สึกว่ามันมันก็นอยู่ในตัวเขาเองมะเร็งเนี่ยมันเตะเยอะเลยเต็มไปหมดเลยแต่รัศึกษาไว้มันก็ดี มีผ้าหลายโรูก็ไปเช็คลกมะเร็งทุกปีธรรมาไม่เคยเช็คเลยเช็คไปทําไมกลัวโลมมะเร็งก็ไปเช็คสุขภาพอ่ะพวกกลบลมลมมะเร็งว่าอย่างน้อยตรสองครั้งปีหนึ่งนะหงวปีท้ายปีเช็คลมมะเร็งแล้วบอกแล้วฟังแล้วก็เฉยเฉยก็ไม่ได้ไปเช็คแม้ไรดอกถ้าบางองค์บางโรูท่านก็ไปเช็คไปเช็คดีเหมือนกันนะแล้วก็กันเอาไว้แต่ถ้าเจอแล้วจะทำยังไงก็สุดแล้วแต่หมอ เป็นอย่างนั้นดังนั้นอาตมาเล่าเรื่องสเปสปะพวกนี้มาก็ไม่ใช่ว่าจะมาให้โยมกลัวให้โยมคิดเป็นอย่างอื่นหรือให้พระเราคิดว่าเอยอยังนั้นผมไม่ปฏิบัติดีกว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะเหมือนกับเราไปฟัโกโรคมะเร็งอะนะอาจะโอ้ยไม่กินเละไ อ, อ้ข้าวจี่ข้าวไหม้หรือว่าขนมไหม้ดําำเนี่ยกินเข้าไปกนจะเกิดลรคมะเร็งตับก็ลงอะไรก็ไม่กินดีกว่าไม่ถึงอย่างนั้นคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกอื หมายถึงว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นได้ทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นทุกคนมีโอกาสโอกาสที่จะไม่เป็นไม่ทุกคนเสมอไปอพูดอย่างนักเลงหน่อยก็ว่าสุนัขทุกตัวไม่ใช่ว่าจะเป็นบ้าทุกตัวหรอกอสุนัขเดี๋ยวคนทุกคนไม่ใช่ว่าจะเป็นบ้ากันได้ทุกคนนะนะไม่เป็นมันก็เป็นบางคนกพราเลือดมันเป็นพิษเนี่ยเลือดเป็นพิษ ความรู้สึกมันสร้างมาแา บ, บนั้นไปมันก็เลยเที้ยนไปผิดไปเรื่อยๆก็เลยเป็นโรคมะเร็งหรืเป็นโรคบ้าโรคไม่ปกติบ้างมันก็ช่างตกมันไม่ใช่ว่าจะตกมันทุกตัวไม่คนเราปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน <c oughs> หลายๆคนเขาบอกว่าอยากจะหมดทุกอยากจะเป็นอรหันเลยมันจะเป็นได้ไห ม, มันจะเป็นได้ทุกคนไหมตรง น, นี้ก็เป็นปัญหาอยู่ แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าสามารถที่จะเป็นได้ทุกคนทุกคนที่จะหมดทุกข์ได้ท่านอุปมาเหมือนกับไม้ในป่าออกมาเผาเป็นไฟแล้วก็สําเร็จเป็นฐานเมื่อมันเย็นแล้วเป็นฐานมันจะเป็นสีเดียวกันฐานไฟจะเป็นสีดําแล้วไปติดไฟแล้วไปใส่ไฟอีกมันจะเป็นสีแดงสีเหลืองงามใช่ไหมสีไฟนั่นนะ่ะสีเดียวกันหมดเลย หรือว่าน้ําทั้งหลายที่ไหลไปจากสายนั่นสายนี่รวมลงไปเป็นน้ําทะเลจะมีรสเค็มอย่างเดียวกันเพราะพรุทธเจ้าจึงว่าภิกษุ ก, ก็ดีอุบาสกบัติกาก็ดีภิกษุณีก็ดีหรือบริษัทสีนี่นะหรือพูดอย่างกว้างๆเพิ่มให้หน่อยว่าคนทั้งโลกนี่ขนาดไนคนทั้งโลกนี่นะจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นชาติในภาษาใดก็ตาม เมื่อศึกษาปฏิบัติตามอริยมรรยงแปดหรือสติปัฏฐานสี่ของพระพุทธญาอย่างถูกต้องก็สามารถที่จะบรรลุถึงซึ่งความสิ้นสุดเป็นอริยบุคคลเป็นผู้หมดทุกหมดสวกได้ด้วยกันทั้งหมดเหมือนกับ น, น้ำที่ไหลไปสู่มหาสมุดทะเลลึกก็มีรดเดียวกันมิสีเดียวกันมันรวมกันได้อันนี้เป็นอุปมาอุปไม ก็ไม่รักลัานกันเดี๋ยวพวกบวชได้มากกว่าพวกไม่บวชได้น้อยกว่าไม่ใช่อย่างนั้นคนไทยได้มากกว่าชาติอื่นได้น้อยกว่าเรียกว่าผลนิพพานไม่เป็นอย่างนั้นดังนั้นที่กล่าวมาวันนี้ก็เป็นเรื่องสเปสปะสเปสเฮละอาจจะผิดบ้างถูกบาก้างก็ต้องขออภัยถิง้งในมันถูกก็เอาไปถิง้งในไม่ดีไม่ถูกก็ทิ้งเอาไว้ที่นี่ ทิ้งเอาไว้ที่นี่เลยนะครับเป็นอย่างนั้นดังนั้นท่านยานมหาดิเลกจะมีอะไรพูดต่อพูดเติมพูดเสริมพูดแต่งก็สุดแล้วแต่เพราะว่ากับผมเองก็ความรู้ไม่มากมา ก, การที่จะให้พูดให้เพราะให้สละสลวยถูกใจคนให้คนชอบคนชมคนรักนั้ไม่มีไม่มีเลย <c oughs> แต่พูดความจริงในบางทีก็อย่างว่านะ คนไม่รักคนจะชังคนจะโกรธก็เรื่องของเขาเขาจะไปฆ่าก็ดีมันกนจะได้ตายไปเลย <laughs> มันจบมันสิน <laughs> ้นออะก็จบสมควรกัเวลาตอนนี้มันมีก่กอาธุดัดัง